เลาตาก็าเคยเรียนรักถมสวงยเป็นเลนก็สอบได้ใบประกาศเพาะตอบได้แต่ไม่ใช่ญาณที่มันจางรู้มันจํามาเช่นเขาถามว่าําเป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่คืออะไรทำเป็นที่อยู่ของผู้น้อยคืออย่างไรกูลที่มั่งคั่งอยู่ได้นานเพราะเหตุใดแต่กูลที่มั่งคั่งอยู่นานไม่ได้เพราะเหตุใดเราตอบได้เพราะเราเรียนเราจํามา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 อันนี้มันเป็นของทําได้ปฏิบัติธรรมมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปเพื่ อ, อะไรพึ่งการกระทาของเราเราอยู่อย่างไงชีวิตเรามาถึงวันนี้เราหลงหรือเรารู้กันมากนี่ใจพึ่งใจได้ไหมเอาใจไปทําอะไรนี่กายเอากายไปทําอะไรทำมาใช่อย่างนี้ลองดูขั้งหนึ่งเถอะชีวิตเรานะอย่าไปหลงเข้าลุกขเข้าพงเกินไป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 เรียกว่าอุปทานว่าโดยยกอุปทานขันทั้งห้าเป็นโททุกสองเจ้าสวนอันตรคณะสูตรที่นี่อุปทานคืออะไรกูมีไหมกูในกายกูร้อนเห็นไหมกูพอใจกูชอบเอากายมาเป็นกูกูเหนื่อยวิธีเปิธรทำยังไงเห็นมันมันร้อนเห็นมันร้อนไม่ใช่กูเป็นธรรมชาติเป็นาการของกายของรูป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 ไม่มีใครเท่าไรปัญญัติขึ้นมาน่าชอบว่าไม่ชอบเราจึงมาศึกษาตามส ม, มุปปัญญัดเรื่อเห็นเี่มันเกิดขึ้นกับเราด้วโอ้สนุกดีมาเห็นของจริงในชีวิตเราดูเอามีสติความรู้สึกสตินี่ทําใหม่ใหม่ก็เป็นสติต่อไปจะเป็นญาณเป็นดวงตาภายในของเรารูรอบมันไม่ใช่อยู่ที่ตรงนี้ถ้าไม่มีแล้วมันไม่ลืม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 ตรงที่มันร้อนทำให้เย็นตรงที่มันหนักทําให้มันเบาเป็นจึงจุใช้ได้ชีวิตเราถ้าไม่ชนะมันใช่ไม่ได้มันทุกข์ไม่ทุกข์มันโกรธไปโกรธมันหลงไม่หลงเปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนที่เราใจเอามาเปลี่ยนอย่างนี้ใจอย่าไปเอางัดตรงนี้หัดลู่หัดลู่หัดลู่นี่ถ้าไปเสียดอยางนี้ก็ไปเสียดตัวเองไม่เห็นด้วยเห็นด้วยกับอะไรที่มันเสียกอ่อน